ในนามอัลลอฮฺอ at ัลลอฮฺอัลลอฮฺอ uh, ัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลกอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอรลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺรัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั พี่น้องที่ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับที่ในช่องทางต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้สามารถที่จะศึกษานะครับในหัวข้อต่างๆในรายการต่างๆที่วิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้นําเสนอนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะนําพามาซึ่ง ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการศึกษาอัลกรุรอานนะครับเราก็มาศึกษาร่วมกันและทำความเข้าใจอัลกรุรอานร่วมกันนะครับที่เราเพยายามที่จะได้ให้มุมมองถึงความสําคัญของอัลกรุรอานอย่างไรนะครับที่ใน3ข้อที่ได้เน้นย้าเสมอก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเพื่อให้เป็นไกด์ไลน์และก็เป็นเรื่องที่เราได้พยายามใช้มุมมองนะ เห็นถือความสําคัญที่บอกว่ากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางรอดและทางนำของมวลมนุษยชาตินะครับสาประเด็นนี้เป็น3าประเด็นที่จะนําพาให้เรานั้นได้รู้ว่าทําไมต้องเรียนทําไมต้องอ่านทําไมต้องศึกษานะครับหลังจากไอ้คำว่าทําไมทั้งหมดเหล่านี้จึงได้รู้ว่านี่คือหัวใจหลักของการดําเนินชีวิตในดุลยานี้แล้วนี่นนเมื่อ น, นี้เป็นหัวใจหลักแล้วเราจะทิ้งไม่ได้ปล่อยปะละเลยไม่ได้ มันอยู่อย่างเดียวที่จะบอกตัวเองรบว่าบริหารอย่างไรจัด ก, การอย่างไรทำอย่างไรให้กรุรานมามีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินชีวิตรายวันผมขออนุญาตใช้คำว่ารายวันเพื่อให้เราทุกคนได้รู้ว่าไม่ใช่เดือนละครั้งสัปดาห์ละครั้งนะครับแล้วเราค่อยมาจับอัลกรุรานกันนะครับไม่ให้เป็นรายวันนะครับเวลากินข้าวตอนเช้าเวลากินข้าวตอนบ่ายเวลากินข้าวตอนเย็นเรามีเวลาที่กาหนด คาดขึ้น10นาทีสิบ้านาทีเป็นไปได้แต่หลักๆคือมีนะครับกุอ่านซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะแต่วันนี้เราจะเห็นว่าไม่มีเวลาของอ่านอ่านที่เป็นเวลาจะต้องอ่านจะต้องเรียนจะต้องทําความเข้าใจนะครับดังนั้นอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนชาวล้านนะครับครับเพื่อนๆครับกลับมานะครับในสุร่าอันกาบุตรนะครับวันนี้ต่อเนื่องนะครับในอายะที่8ปดนะฮะ นะอายะห์ที่8ปดทความในตอนที่แล้วนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูอัตตาลาบอกถึงกําลังใจให้กําลังใจนะครับว่าผู้ที่จะได้รับรางวัลนะครับก็คือผู้ที่ศรัทธาปฏิบัติกุนงางความดีอัลลอฮฺจะลบล้างบาปและจะประทานผลตอบแทนที่เขาเรียกว่ามากดีกว่ามากกว่าดีกว่ากับสิ่งที่เขากําลังจะทำหรือเขาได้ทำนะครับนั่นก็คือพูดง่ายๆว่าไม่มีคําว่าขาดทุน ในการทํางานศาสนาไม่มีคําว่าขาดทุนในการเรียนศาสนาไม่มีคําว่าขาดทุนในการที่จะใช้เวลาใช้บางส่วนของเราที่มีในยุนยานี้เวลาความสามารถทรัพย์สินกําลังนะทั้งหมดที่เราให้กับศาสนาไม่มีคําว่าขาดทุนเพราะอัลลอฮ์ได้บอกว่าพระองค์จะประทานพระองค์จะตอบแทนให้เหนือกว่ามากกว่าดีกว่าสิ่งที่เขาทํานะครับต่อมาครับในอายะฮ์ที่8ที่บอกว่า ข้อนี้สำคัญพี่น้องครับอาย่านี้เป็นอายาที่เรียกกันว่าให้เราได้ได้เลยนะครับว่าว่าสังคมปัจจุบันนะครับกำลังที่จะหล่อหลอมความคิดของเด็กๆเยาวชนแต่กุศอ่านบอกเมื่อ1400รกว่าปีว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะต้องเราจะต้องทําตัวอย่างไรนะครับวาวสัยนัลอินซาันาบิวารีไดนีเอซานาขึ้นต้นอย่างนี้เรารู้เลยว่านี่คือกําลังพูดถึงใครครับบิดามารดา ไม่มีใครไม่มีบิดามารดาไม่ว่าเขาจะมีชีวิตยอยู่หรือเขาจากเราไปแล้วก็ตามอัลลอฮฺสุบฮานาหูวัตลาได้บอกว่าและเราได้สั่งเสียหมายถึงเป็นกำหนดการหมายถึงเป็นสิ่งสั่งใช้ให้มนุษย์ใช้คำว่าอินารคือมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะมุสลิม น, นะไม่ใช่มนุษยชาติสั่งถูกสั่งใช้ให้ทำความดีต่อบิดามารดาข้อนี้พี่น้องครับหลายคนมีความคิดโดยเฉพาะในยุค ข, ของ AI เนี่ยนะ มักจะบอกว่าเราเกิดมาโดยที่เราไม่อยากจะเกิดดังนั้นไม่จําเป็นจะต้องมีบุญคุณกับใครและใครมีบุญคุณกับเราความเชื่ออย่างนี้มันเป็นฮาวานัฟซูมันเป็นเาขาเรียกความชอบส่วนตัวหรือการต้องการอิสระแบบไม่ต้องการอยู่ในกรอบพูดง่ายๆว่าอะไรก็ได้ยังไงก็ได้เอาเอาตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นเกณฑ์แต่เอาลอสุภทานอตาลาได้บอกอย่างนี้บอกว่า การที่พระองค์ได้สั่งใช้ให้ลูกลูกทำความดีต่อบิดามัรดานั่นหมายความว่าการกระด้างกระเดืองของลูกลูกของเด็กที่เกิดมาต่อบิดามัรดาหรือการไม่เชื่อฟังบิดามัรดามันเป็นทาาแทของลูกลูกทั้งหลายอยู่แล้วต้องฟังให้ดีนะครับข้อนี้สำคัญมากอยากให้ขีดเส้นใต้ไว้นะครับ ลูกๆนะครับลูกๆไม่ยกเว้นลูกๆเป็นผู้ที่ถูกกำเนิดใต้การกระด้างกระเดืองการไม่เชื่อฟังบีดามานดาของเขาก่อนหน้าอยู่แล้วถามว่าอย่างไรล่ะครับเพราะนี่คือนี่คือเขาเรียกธาตุแท้ของการกำเนิดดังนั้นคำสั่งเสีย คำสั่งใช้นะครับที่อัลลอฮซุบฮานะฮุวะตาลาได้บอกให้พวกเขาทั้งหลายได้อะไรทำดีต่อบิดามารดาววไซนัลอินซานบิวาลิดาย่ิอห์ซานะมันไม่ใช่ทำดีตอนที่เราไปไหนไม่ได้นะอยากจะได้การช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือทำความดีหน่อยไม่ใช่นะถางว่าวาำความดีหมายถึงไม่ว่าท่าน จะอ่อนแอขนาดไหนแข็งแรงขนาดไหนมีประโยชน์กับเราหมายถึงให้เงินให้ทองให้การช่วยเหลืออย่างเราหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่เราในฐานะที่เป็นลูกจะต้องทำความดีต่อบิดามารดาเพราะธรรมชาติของลูกคือธรรมชาติของลูกๆนะครับคืออะไรครับมันต้องไม่เชื่อฟังดื้อดึงต่อต้านนะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้ว มันเป็นธรรมชาติของบรรดาลูกๆอยู่แล้วดังนั้นเมื่อคำสั่งเมื่อคาสั่งของอัลลอสซุบฮานะฮูวตาลาระบุไว้ในอัลกุรอานพึงให้รู้ว่าบรรดาลูกๆทั้งหลายต้องมาเรียนรู้และศึกษาว่าอะไรคือทาความดีต่อพ่อแม่หลายคนเข้าใจการทาความดีต่อพ่อแม่คือการให้เงินรายเดือนหลายคนเข้าใจอย่างนี้หลายคนเข้าใจว่าหาคนมา หาคนมานะ่จ้างหมายถึงจ้างคนมาอยู่กับพ่อแม่นี่คือความเข้าใจของสังคมที่ที่กำลังบิดเบือนความเป็นจริงการทำความดีต่อพ่อแม่คืออะไรเราไปศึกษาอิสลามสอนอย่างไรนบีบอกอย่างไรให้ตัวอย่างอย่างไรมองมุมมองอย่างไรที่พูดเพื่อให้ทุกคนได้ได้ตรหนักมนคิดถึงถึงภาพจริงของบิดามารดาคืออะไรนะลท์ฮะดิซีบอกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น พูดถึงความยากลําบาของมารดาที่ต้องตั้งคันก้าวเดือนแล้วคลอดออกมาแล้วต้องเลี้ยงดูให้น้ํานมและยังบอกอีกว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ทุ่มเทเพราะเขาไม่อยากให้เกิดไม่ใช่จะเกิดมาอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้พูดถึงพูดถึงมนุษย์ที่มีสติสัมภัภารสมบูรณ์นะฮะไอที่แบบอันนั้นเราไม่พูดถึงนะพูดถึงส่วนใหญ่นะครับดังนั้นคนที่เป็นลูก พึงและควรจะต้องรู้ว่าหน้าที่หลักที่จะต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาอย่างไรต่อมาครับ ว, ว, ว่าอินญาฮาดาัดะกการที่เชื่อฟังพ่อแม่การที่ปฏิบัติ ด, ดีต่อพ่อแม่นะครับมันไม่ใช่หมายความว่าเราตกต่ํานะอย่าสังเกตนะครับพี่น้องอันนี้ให้ให้มุมมองคลิกรูปมุมหนึ่งที่บอกว่าไม่มีอายะที่บอกว่าแม่ต้องทําวาความดีต่อลูกเห็นไหย เพราะพ่อแม่ถูกสร้างมาถูกหล่อหลอมมานะเพื่อให้อะไรครับรักเมตตาห่วงใยนะครับสงสารต่อลูกๆโดยธรรมชาติของพ่อแม่ถามว่าวันนี้จริงไหมเราก็เห็นครับเช่นเดียวกันครับยกยกเว้นนะฮะที่ไม่ไม่ไม่สมบูรณ์ทางด้านความคิดทางด้านอารมณ์เนี่ยอันนี้เราต้อง นั่นไปไม่เอาไปเป็นตัวอย่างที่วันนี้สังคมเอาส่วนน้อยมาเป็นตัวอย่างให้กับส่วนรวมส่วนน้อยทําอย่างนี้ก็เลยอกกฎหมายเพื่อให้ส่วนรวมปฏิบัติตามซึ่งไม่ใช่เราเอาส่วนใหญ่ที่เป็นสมบูรณ์ที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นนั้นคุณอ่านบอกอะไรอย่างไรนั้นมันเป็นสิ่งที่ให้เราทุกคนได้ตรานักได้รูท้ทั้งทัที่อายันนี้ก็ถูกกล่าวแล้วเราก็ถูกสอนกันมาโดยตลอดในเรื่องของการทําความดีต่อพ่อแม่แต่เราลืมนึกไปว่า ทำไมถึงโฟกัสไปที่ลูกที่ให้ทำความดีต่อพ่อแม่เพราะรากฐานของการเป็นลูกนั้นคือการก ร, กระดัางกระเดื่องต่อต้านไม่เชื่อฟังเรียกว่าทรยศผู้เป็นอุปการีอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งบอกอย่างนี้ให้เราได้จหนักว่าคนนี้คือพ่อแมนะ่ในขณะที่พ่อแม่ด้วยด้วยธรรมชาติด้วยสิ่งที่อัลลอ์นะได้สร้างคาว่าพ่อแม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับ เพราะเขาด้วยสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นก็คือเมตตาสงสารนะครับและเอื้ออาทรก็คนที่เป็นลูกอยู่แล้วไม่ว่าลูกนั้นจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็แล้วแต่คนที่เป็นแม่ไม่เคยเกี่ยงไม่เคยเกี่ยงนะครับที่เขาพูดในสังคมที่บอกว่าแม่หนึ่งคนสามารถเลี้ยงลูกได้ถึงสิบคนหรือมากกว่านั้นแต่ลูกสิบคน จะดูดูแลแม่เพียงคนเดียวนี่ลำบากมากเห็นไหมฮะทุกวันนี้เห็นหรือยังต่างคนต่างแย่งกันไม่ใช่แย่งกันดูแลนะครับแย่งกันว่าใครจะเอาไปคือไล่ไม่ให้อยู่กับเรานี่ยนี่คือสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับวะอินยาฮดากะลิตุชริกบีมาลัยเลกบีเอลมแต่นี่คือเป็นอีกหนึ่งปม ที่อยากให้เราดันได้โฟกัสว่าถึงเราจะต้องทำดีกับพ่อแม่แต่ถ้าตราบใดถ้าพ่อแม่นะครับ บ, รบังคับแล้วก็ทำให้เรานะต่อต้านหรือทำชีริกต่ออลล็อกซพาโตั้งพาคีต่อล็อคพูดง่ายว่าบอกให้เราทำความชั่วบอกให้เราทำในสิ่งที่ที่เราเองก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นะพูดงว่าตามแบบไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จาเป็นนะครับ ฟลาตูติอาหูมาอย่าปฏิบัติตามนั่นหมายความว่าทุกอย่างที่ที่มันเป็นที่ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาละกันเอาพูดง่ายๆ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับบทบัญญัติเราก็สามารถที่จะเช่นการอะไรหาอาหารให้การพูดจาไพเราะการดูแลการเป็นอยู่นะครับการพูดคุยกันอยู่ด้วยกับความรักความเอ็นดูแบบมนุษยชาติทาได้หมดเลยแต่ตราบใดถ้าเขาหรือเมื่อใดก็ ท่านทั้งสองบอกให้เราต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นซึ่งมันคา้านหรือมันเป็นการตั้งภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งทั้งที่ท่านก็ไม่รู้ว่ามันมันมันมาอย่างไรเพราะอะไรอ่าไม่ทำไม่ได้เพราะต้องเชื่องฟ้าพ่อแม่อันนี้ไม่ใช่นะมันมีข้อยกเว้นอยู่ถ้าสิ่งนั้นมันค้านต่ออะไรการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดการชิริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลา ถ้าเหตุถ้าการนั้นมันทำมั น, มนทำให้เขาเรียกว่าออกห่างจากการเป็นเบ่าวที่ดีขอล็อกสุภานนตลาแล้วเราก็ฟาลาตุเตหูมาเห็นไหมฮะเรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้นะไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามไม่จะเป็นต้องเชื่อฟังทุกอย่างต้องเชื่อฟังนะมีข้อเสนอแนะพูดคุยกันได้หมดเลยแต่ถ้าเรื่องนี้พูดคุยแล้วมายอมรับก็ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ข้ามต่อหลักการอิสลามเรื่องที่ไม่ถูกต้อง นะครับเราไม่จําเป็นต้องเชื่อฝังอิสลามก็มีบอกนะครับกุตอานก็บอกว่าอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวจะอ้างว่าถ้าพ่อแม่ถือกรรมสิทธิ์จะทําอะไรก็ได้ยังไงก็ได้สั่งอะไรก็ต้องทําไม่งั้นจะเป็นลูกที่อักตันจูเป็นผู้ที่ทรยศเป็นผู้ที่อย่างงุ่นอย่างนี้ทึ้งพ่อแม่ทั้งหลายที่อาจจะไม่เข้าใจก็คิดว่าลูกๆต้องทําความดีนะัสั่งอะไรต้องทําสั่งให้ไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อหลักการอิสลาม ต้องทมเพราะนี่คือคำสั่งพ่อแม่ไม่ใช่นะครับถ้าสิ่งนั้นคำสั่งนั้นคำพูดนั้นนะครับคำขอนั้นมันขานต่อหลักการอิสลามมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด ก, การตั้งฟาคีฟล <c oughs> <c oughs> าตุเตียหูมากุญอาบอกไม่จำเป็นต้องปฏิบัติไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังนะครับอิเลียมรจิโอกุมพึงรู้ไว้ว่า อย่างพระองค์คือการกลับคืนของพวกท่านทั้งหลายหมาถึงพวกท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลูกหรือจะเป็นบิดามารดาก็ต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์หมาถึงต้องตายทั้งสิน้นแล้วต้องไปตอบคําถามในพฤติกรรมการกระทําที่ได้ทำเอาไว้ในโลกดุนยานี้ว่าฟาอุนับบิอุคุมบีมากุนตุมตา ม, มารุนอัลลอฮ์ได้บอกแล้วเราก็จะชี้แจง <c oughs> เราก็จะได้บอกให้รู้ถึงสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ทํา ทำในเรือเพราะอะไรทำไมต้องทำจะไปโทษคนนี้คนนู้นไม่ได้ทุกอย่างอิสลามได้สอนเอาไว้ทุกอย่างอิสลามได้บอกเอาไว้จะดีหรือไม่ดีจะทำอย่างไรได้แค่ไหนไม่ได้แค่ไหนอิสลามบอกไว้หมดนะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้น <c oughs> สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นทำไมครับเราจะบอกว่าไม่รู้เห็นไหมในยุคนี้ใช้คำว่าไม่รู้ถ้าถูกจับได้หรือถ้าถูกล้วก็บอกไม่รู้ คำถามไม่รู้แล้วทำไมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมแล้วทำไมไม่รู้มันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเองอีกนะครับทุกคนทำไมไม่เรียนทำไมไม่ศึกษาใครรู้เรื่องการทำงานบ้างใครรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีบ้างไม่มีใครรู้ตั้งแต่เกิดครับแต่ทำไมถึงรู้วันนี้ทำไมพราะเรียนเช่นเดียวกันถ้ามันยังไม่รู้เรื่องศาสนาคาถามทาไมไม่รู้ เราจะตอบอะไรครับมันก็คือเป็นคำตอบที่อยู่ที่ตัวตัวเราเองอยู่แล้วว่าทำไมไม่เรียน <c oughs> ทำไมไม่เรียน <c oughs> เพราะการเรียน <c oughs> การศึกษาจะนำมาซึ่งความรู้อย่างชัดเจนนะครับเช <c oughs> <c oughs> ่นเดียวกันนะนี่คือสิ่งถึงที่อ <c oughs> ัลลอฮฺสุบฮานาลาบอกเพื่อให้เรานั้นได้ได้ตรนักนะครับจะทำดีถือทำไม่ดีอย่างไรก็แล้วแต่อิเลียมรยอกมุมอย่างพระองค์ คือการกลับคืนของพวกเราทุกคนและพระองค์ก็จะได้บอกได้ให้เราเห็นนะว่าสิ่งที่ทำมันใช่หรือไม่มันค้านต่อคำสั่งหรือเปล่านะครับมันเป็นงานตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานาอัลตะลาหรือไม่นะครับและเราไม่สามารถย้อนกลับมาที่จะแก้ไขอะไรที่เราทำแล้วมีมาคุณตุ่ตา ม, มาลุน่นในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ทต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานตะลาได้บอกไว้เป็นกาลังใจ เพื่อให้รู้ว่าเวลาเราจะทำความดีจะมีการต่อต้านพี่น้องลองดูมันต่อต้านทั้งความรู้สึกมันต่อต้านทั้งทั้งคนรอบข้างมันต่อต้านทั้งสังคมมันต่อต้านถึงความคิดมันต่อต้านถึงภาพผลลัพธ์ที่ออกมามันหมดเลยแต่กําลังใจที่อัลลอฮ์ให้คืออายะกุรอ่านพี่น้องครับคุรอ่านเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามห ah ัสจัน แต่วันนี้จะเข้าใจจะรู้ซึ้งถึงอย่างนั้นหรือเปล่ามันอยู่ที่การศึกษาการทําความเข้าใจนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้บอกว่าวันลดีนาอามานูอามิลุซารีฮัดใหม่นะครับนะอายะก์คล้ายกันเหมือนข้างบนเม่อตอนที่แล้วเลยวันลดีและบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วและปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายทําไมครับลานเดอร์เนนะฮุมพระองค์ได้บอกว่าเราจะให้เขาเข้าไปอยู่ร่วม กับใครครับฟิซเลียนก็คือบรรดากลุ่มชนหมู่ชนที่ทําความดีทั้งหลายพี่น้องเราทําความดีอาจจะไม่เยอะเราทําความดีอาจจะไม่เท่าพอกับใครต่อมตออิต่อใครต่อใครแต่ถ้าเราทําความดีถ้าเราปฏิบัติคุณงามความดีถ้าเราทําในสิ่งที่อิสลามได้สอนแบบฉบับที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตัลลาจะได้ให้เราอยู่ในหมวดหรือในกลุ่มนะในกลุ่มของคนที่ทำความดีทั้งหลาย นั่นหมายความว่าคนที่ทําความดีที่ทําเยอะๆทํามากๆเขาอยู่ที่ไหนแล้วครับเขาอยู่ในสงสวรรค์เขาเป็นผู้ที่ได้รับการตอบแทนอย่างาเคร่งไร้ขีดจํากัดเราจะได้ไปอยู่ในกลุ่มนั้นเราจะได้ไปอยู่ในในในสถานที่ที่เรียกว่ามีแต่ความสุขความสบายไม่มีความทุกข์ใดๆนะนี่คือกําลังใจของของบรรดาผู้ที่ศรัทธาบรรดาผู้ที่ เสียสะละบรรดาผู้ที่ต่อสู้กับาวานักสู้ของตัวเองลงมือทาความดีลงมือที่ปฏิบัติในสิ่งที่ควรจะทาในชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเขาทั้งหลายนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องมองดูนะครับว่าศรัทธาแล้วใช่ว่าจบแค่นี้แต่ต้องพยายามทำความดีและอย่าคิดว่านี่คือการขัดทุนและนี่คือการล้านหลังของการปฏิบัติแต่จงเข้าใจครับว่านี่คือความสาเร็จของชีวิต ในดุนยาและอัคร์นะครับวันนี้ก็จบลงตรงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับวัลลัมอัลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮวะบารกาตุ